ปฏิบัติธรรมกับการฟังธรรมเนี่ยเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่แยกจากกาันได้ยากยิ่งสําหรับปุถุชนด้วยแล้วนี่มันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยทีเดียวนะการฟังธรรมเนี่ยแต่บางคนสงสัยนะการฟังธรรมเนี่ยสำคัญแต่ทําไมในอริยสัจนะอริยมรรคมีองค์แไม่มีการฟังธรรมโดยชอบเลยนะมีแต่ความเห็นชอบกำำําดํำริชอบ นะการประทำชอบการมีอาชีพที่ชอบมีความเพียรชอบมีสติชอบมีสมาธิชอบแต่ไม่มีการฟังธรรมหรือการฟังชอบเลยแต่ถึงไม่มีนะในอริบังยง8เนี่ยการฟังธรรมนี่ก็สำคัญจะเรียกว่าเป็นประตูเนี่ยไปสู่การมีความเห็นชอบการดำเนินชอบ รวมทั้งการปฏิบัติโดยชอบนะข้อที่เหลืออื่นๆถ้าว่าไม่มีการฟังธรรมในการที่จะมีความเห็นชอบดำริอชอบเนี่ยหรือการกระทาชอบนี่มันก็เป็นไปได้ยากนะสำหรับผู้ทุชนอันนี้การฟังธรรมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยปัจจัย หนึ่งที่สำคัญเป็นจุดเริ่มนะนั่นคือการครบหาสัตบุรุษการปฏิบัติการปฏิบัติธรรมจะเกิดขึ้นได้เนี่ยสำหรับคนส่วนใหญ่ก็ต้องอาศัยการฟังธรรมเป็นจุดเริ่มต้นแต่การฟังธรรมเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการครบคนดีเป็นกรียะนนิมิตหรือว่าเรียกว่าคบาผู้มีศีลมีธรรม เขาเรียกว่าสัตบุรุษเพราะฉะนั้นเนี่ยในมงคล38ข้อ2ข้อแรกเลยเนี่ยจึงได้แก่การไม่คบคนพานการครบบัณฑิตเพราะถ้าคบคนพานเสร็จแล้วนี่อการฟังธรรมก็เกิดขึ้นไม่ได้การฟังธรรมเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีการครบบัณฑิตบัณฑิตในที่นี้ก็ไม่ได้ไหมายถึงคนที่มีความรู้สูงแต่คน วิธรรมะที่เรียกว่าสัตบุรุษเพราะฉะนั้นเนี่ยสัพพุริสังเสวะเนี่ยจึงเป็นธรรมะข้อแรกก่อนที่จะตามมาด้วยธรรมะสาวน่ะสัตธรรมะสาวนะวรราวนะการฟังธรรมอถ้าเราครบคนไม่ดีเป็นเพื่อนหรือคนที่ไม่ใช่เป็นกรยนนมิตแต่เป็นปาปะมิตรในการที่ จะได้ฟังสิ่งที่เป็นข้อคิดคติธรรมนี่ก็เรียกว่าเป็นไปไม่ได้หรือยากมากจากันที่ปาปะมิดเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นคนก็ได้นะสื่อสื่อที่ไม่ดีเนี่ยหรือบางท่านแทนที่จะใช้ว่าสื่อมวลชนแต่ใช้ว่าสื่อมวลสัตว์เนี่ยมันก็ทําให้คนเกิด ความเห็นผิดได้เพราะว่าได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นอัธรรมหรือสิ่งทําให้หลงแลเดี๋ยวนี้ในโทรศัพท์มือถือมก็มีสิ่งเหล่านี้เยอะไปหมดใครที่ครบโทรศัพท์มือถือเป็นเพื่อนหรือพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกโดยโทรศัพท์มือถืออันนี้ก็เสี่ยงไงเสี่ยงที่จะ ทำให้ตัวเองหรือลูกเนี่ยมันแวดล้อมด้วยปาปะมิตรไม่ใช่กะะาลยานมิตรถึงแม้ว่าโทรศัพท์มือถือจะมีช่องจะเป็นช่องทางให้เราได้เข้าถึงสิ่งดีๆหลายอย่างแต่นั่นเป็นส่วนน้อยนะส่วนใหญ่มันเป็นช่องทางไปสู่ความคิดและอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ดี นี่เราเป็นอบายมุกก็ได้อบายมุกก็คือประตูสู่ทางอบายอบายนี่ก็รวมถึงความคิดอารมณ์ความรู้สึกไม่ใช่แค่ความโลภความโกรธ น, นะแต่รวมไปถึงความความรู้สึกซึมเศร้าน้อยเนื้อต่ำใจความรู้สึกด้อยเพราะว่ามีการเปรียบเทียบกับคนนั้นคนนี้แล้วก็เห็นเขามีความสุขเขา ได้ไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่เขายื<ฮ>้แย่งแต่สายแต่เราตรงกันข้ามพอเปรียนเท่แบบนี้เข้ า, ขาก็ทำให้เกิดความรู้สึกด้อยอยังไม่ต้องพูดถึงความโกรธความเกลียดที่มันพรั่งพรูมาสู่ใจเราเพราะว่าข้อความภาพต่างๆอันนี้เมื่อเราเห็นความสำคัญของสัตบุรุษหรือไกรนามิตรเนี่ยครบ เป็นเพื่อนแล้วซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ลวมไปถึงสื่อสื่อดีๆหนังสือดีๆในการฟังธรรมก็จะเกิดขึ้นได้ธรรมในที่นี้ไม่ได้หมายเฉพาะธรรมะในพระไตรปิฎกนะแต่หมายถึงธรรมะที่มันกันออกมาจากชีวิตที่ทำให้เราเกิดความเห็นที่ ดีงามประพฤติถูกทํานองคลองธรรมเป็นต้นอันนี้เมื่อได้ฟังธรรมแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือการปฏิบัติการปฏิบัติธรรมมันมีธรรมะหมวดหนึ่งนะชื่อว่าธรรมานุธรรมะปฏิปติคือการปฏิบัติอย่างตรงตามหลักการนอันนี้ก็จะมาทีหลังนะจะมาหลังการได้ฟังธรรมแล มันก็แสดงว่าการฟังธรรมเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นหรือเป็นประตูสู่การปฏิบัติถึงแม้ว่าการฟังธรรมโดยทั่วไปแล้วมันไม่ใช่เป็นตัวการปฏิบัติโดยตรงแต่มันก็เป็นประตูพาเราสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้องหรือมักมีองค์แปดเนี่ยซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ชอบที่ถูกต้องเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้เพราะมีการฟัง แล้วเดี๋ยวนี้ก็ต้องรวมถึงการอ่านด้วยได้ฟังได้อ่านข้อคิดคติธรรมก็น้อมนำใจให้เราเกิดความศรัทธาในการปฏิบัติในเข้าสู่อริยมรรคมิตรแปดได้จริงจริงการฟังเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของปริยัตินะเวลาเราพถึงปริยัติศึกษาเนี่ยซึ่งเป็น คนละส่วนกับการปฏิบัติเนี่ยแต่เป็นส่วนที่เสริมกันเนี่ยถ้าเราได้ฟังธรรมมันก็จะทำให้เราเข้าใจธรรมเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอันนี้ก็ถือว่าจัดอยู่ในฝ่ายของปริยติธรรมถึงแม้ว่าจะไม่ได้เรียนเป็นระบบเรียนจากตำราแต่ว่าเรียนจากครูบาอาจารย์ที่เขาผ่านทางมาก่อนเขาเดินบนเส้นทางนี้มาก่อน รู้ว่าทางเส้นนี้นะมันเป็นอย่างไรมันมีทางแยกมันมีกับดักตรงไหนและทำไงถึงจะไปให้ถูกทางเนี่ยอันนี้เรียกว่าเป็นเรื่องของปริยัตนะซึ่งไม่ได้หมายถึงจากไม่ได้หมายถึงการอ่านตำรับตำราอ่านพระไตรปิฎกอย่างเดียวจะรวมถึงการฟังด้วยฟังทมจากสัตบุรุษ จากครูบาอาจารย์ที่ท่านได้เดินทางมาก่อนแล้วแล้วท่านก็ได้ปฏิบัติกับตัวเองจนกระทั่งเป็นเนื้อเป็นตัวของท่านแต่ก็นี่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาฟังธรรมเนี่ยฟังแล้วไม่ค่อยปฏิบัติมีคนจนนดยไม่น้อยเลยที่ฟังธรรมทุกวันเดี๋ยวนี้ก็ดูทาง YouTube ทุกเช้า แต่ว่าชีวิตไม่ได้เปลี่ยนเท่าไหร่ยังเป็นคนเจ้าอารมณ์ยังเป็นคนขี้ตนันนียังเป็นคนที่อารมณ์ฉุนเฉียวยังเป็นคนที่สร้างความระอาให้กับคนรอบข้างอันนี้เพราะอะไรนะเพราะว่าฟังอย่างเดียวแต่ไม่ปฏิบัติตามาทำไไม่ปฏิบัตินะเพราะว่าการปฏิบัติมันยากมันทวนกระแสกิเลสทวนกระแสนิสัยความเคยชิน นิสัยความเคยชินเนี่ยมันมีกำลังมากโดยเพราะจิตตนิสัยนะหรือนิสัยทางจิตเช่นพอมีอะไรมากระทบะก็เกิดความหงุดหญงิดไม่พอใจทันทีเพราะว่ามองเห็นแต่ด้านลบของมันหรือว่าเป็นเพราะว่าไม่มีสติรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นบางคนก็อาจจะติดสิ่งเสพของกิน หรือว่าความบันเทิงเช่นหนังภาพยนตร์ซีรีส์เนี่ยก็เลยไม่ปฏิบัติทั้งนี้รู้ว่ามันสิ่งที่เสียเวลา ท, ท, ทั้งที่รู้ว่าเวลาเราเหลือน้อยแล้วได้ฟังครูบาอาจารย์พูดว่าให้เล่งทาความเพียรเวลาเราเหลือน้อยอย่าไปเสียเวลากับเรื่องสิ่งเหล่านี้มากนะแต่ว่าก็ฟังไปก็อย่างนั้นแหละชีวิตก็ยังเหมือนเดิมปฏิบัติเหมือนเดิม ฟังดูฟังธรรมะดู YouTube ไปแต่ว่าก็ให้เวลากับพวกความบันเทิงแบบนี้มากกว่าและเดี๋ยวนี้มันไม่ได้มีแค่ซีรีส์เกนะาหลีนี้มีทิกตอกจริงนะ t i k ตอกนี่ไม่ใช่แค่เด็กวัยรุ่นที่ติดนะผู้ใหญ่ก็ติดนะบางคนบอกใช้เวลากับ t ิ k ต o k นี่วันละชั่วโมงคนที่พูดนี้ก็เป็นผู้ใหญ่แล้ว แล้วก็สนใจธรรมะแต่ว่าหักห้ามใจไม่ได้ทั้งที่ฟังธรรมทุกเช้าอันนี้เรียกว่าฟังเพาฟังแต่ไม่ปฏิบัติแล้วทำไมจึงฟังทุกวันเพราะฟังแล้วมันเพลินดีหลายคนฟังเนี่ยเพราะมันเพลินก็เหมือนกับวัยรุ่นที่ฟังเพล ง, งนะเพราะมันเพลินฟังแล้วมันกลอมใจเพราะว่าตอนที่ฟังเนี่ย ไม่ได้คิดเรื่องงานไม่ได้คิดเรื่องลูกไม่ได้คิดเรื่องครอบครัวซึ่งมันก็ดีนะเพราะว่ามันเป็นช่วงให้เ ว, นวเ้นวรเว้นวรกสิ่งที่ทําให้วิตกกังวลทำให้เครียดหลายคนชอบฟังธรรมพอฟังแล้วมันใจสบายเนื้อหา นำเสียงของครูบาอาจารย์มันก็กล่อมแล้วก็ทำให้เวลาติดตามไปแล้วมันก็ลืมเรื่องโน้เรื่องนี้ฟังเสร็จก็สบายใจแต่พอมันนึกถึงปัญหานึกถึงงานการนึกถึงภาร ะ, ระก็เครียดใหม่อาจารย์กำพลเนี่ยตอนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยชอบอ่านหนังสือธรรมะชอบฟังธรรมนะ ทำฟังแล้วสบายลืมเรื่องความพิการของตัวลืมเรื่องอนาคตที่มันหดหู่แต่พออ่านจบฟังจบมันก็ทุกข์ใหม่เพราะว่าความคิดเรื่องอนาคตที่หดหู่หรือความรู้สึกความรู้สึกไม่ดีนะกับโครคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นมันก็มารุมเร้าแต่อาจารย์กมพลก็ดีนะท่านรู้ว่าเนี่ยนี่คือจุดอ่อน ก็เลยหันมาปฏิบัติจนเห็นผลด้วยตัวเองแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยฟังทมแล้วก็พอเพลินแล้วก็ก็แค่นั้นแหละถึงเวลาจะปฏิบัติมันไม่อยากปฏิบัติเพราะว่ามันยากที่ยากนี่มันไม่ใช่อะไรหรอกมันยากเพราะว่ามันต้องทวนกระแสกิเลสความเคยชินอะไรที่ไม่เคยทํเนี่ยหรืออะไรที่มันต้องทวน กระแสความเคยชินมันยากเสมออย่าว่าแต่อะไรเลยนะแค่ตื่นเช้าจากเดิมที่เคยตื่นสายมันก็ยากแล้วสำหรับคนส่วนใหญ่ตราบใดที่ยังไม่เคยทำและจนนวนไม่น้อยเนี่ยฟังแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ใคร่ควรนอกจากฟังเอาเพลินฟังเพื่อก่อมใจแล้วก็ไม่ได้ใคร่ควร ไม่ได้ใครควรเพราะไม่ได้ใครควรเนี่ยมันก็ทําให้ไม่เกิดแรงจูงใจหรือชันทะในการที่จะปฏิบัติโดยเพราะเนื้อหาบางอย่างนะที่มันจะเรียกว่ากระแทกอัตตาหรือทวนกระแสกิเลสเนี่ยฟังไปก็เออเพลินเนไปจะไม่ได้ใคร่ควนก็เลยไม่ได้ซาบซึ้งหรือไม่ได้เห็นคุณค่า ก็เลยไม่เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติและมีจำนวนไม่น้อยเนี่ยที่เรียกว่าไม่รู้จักมองนะเช่นไม่ได้พิจารณาว่าเออที่ท่านพูดมานี่มันตรงกับเราหรือเปล่าเวลาที่ครูบาอาจารย์พูดถึงคนที่เจ้าอารมณ์พูดถึงคนตนีพูดถึงคนที่ชอบมองรบมองร้ายเนี่ยแทนที่จะมาพิจารณาว่าเราเป็นอย่างที่ท่านว่าไหมก็ไม่ได้พิจารณา แทนนิสัยความเคยชินเดิมๆก็ยังมีอยู่กิเลสตัวเดิมก็ยังมีอยู่หรือบางคนหนักกว่านั้นนะแทนที่จะมองว่าเ อ, อเราเป็นอย่างที่ท่านว่าไหมกับมองว่านี่ท่านกำลังว่าเราหรือเปล่าพอคิดแบบนี้เข้าก็เกิดความไม่พอใจเกิดความน้อยเนื้อต่ําใจเกิดความรู้สึกเป็นอกุศลขึ้นมาซึ่งมาตรงข้าวกับการที่หันมาดูว่าเออที่ท่านพูดมา เราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าคิดแบบนี้เนี่ยมันได้มันได้ประโยชน์มันเป็นการลดอัตตาลดกิเลสเป็นจุดเริ่มต้นของการลดอัตตาแต่ถ้าไปมองว่าไอ้ี่ท่านว่าเราหรือเปล่าเนี่ยมันคือการเอาอัตตาเข้าไปนะไปไปรับออกหน้าออกออกหน้ารับคำคำพูดนะก็ทำให้อัตตามันกาเริบ พอเกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจเกิดความน้อยใจขึ้นมาอันนี้เราฟังไม่เป็นนะถ้าฟังเป็นท่านจะก็จะฟังว่าเออที่ท่านพูดมาจริงไหมเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าพอเห็นว่าเราเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็อย่างน้อยก็ช่วยทำให้เราเนี่ยเห็นจุดอ่อนของตัวเองเห็นบทบาทเห็นอิทธิพลของอัตตาเห็นอิทธิพลของกิเลสที่มันมาครองใจเรา เพียงแค่ตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยเกิดความพยายามที่จะลดละอัตตาลดละกิเลสหรือปรับเปลี่ยนนิสัยแต่ถ้าหาว่าเราพิจารณาแบบนี้เนี่ยมันเป็นการภาวนานะมันเป็นการปฏิบัติแล้วนะถึงแม้เมื่อกี้พูดว่าการฟังธรรมมันไม่ใช่การปฏิบัติแต่มันเป็นส่วนนําหรือส่วนเสริมของการปฏิบัติ แต่ถ้าทาอย่างที่พูดมาสักครู่เนี่ยมันเป็นการปฏิบัตินะพ่างน้อยเนี่ยมันเป็นการมองตนกลับมามองตนว่าเออเราเป็นอย่างนั้นไหมการมองตนเนี่ยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของการขัดเกลากิเลสเป็นการขัดเกลวหรือว่าลดละอัตตาเรื่อเป็นการปฏิบัติได้เหมือนกันและยังเป็นการปฏิบัติได้ถ้าว่าเราใช้ โอกาสที่ฟังธรรมเนี่ยในการเจเริญสติเพราะสังเกตไม่เวลาเราฟังธรรมเนี่ยใจมันลอยบางครั้งใจก็ลอยโดยเพราะเวลาผู้พูดเนี่ยพูดเรื่องที่มันอาจจะไม่ค่อยน่าสนใจไม่เราใจเพียงพอใจเราก็ลอยนะไปไหนไม่รู้หรือบางทีอเป็นเพราะว่าฟังไม่รู้กี่ครั้งแล้ว ฟังซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยใจมันก็ลอยในตอนใจลอยเนี่ยนะถ้าเรารู้จักฝึกสตินะรู้ทันใจที่มันเผลอหรือรู้จันรู้ทันความคิดที่มันพาใจออกไปสู่อดีตสู่อนาคตแค่นี้เนี่ยมันก็เป็นการปฏิบัตินะถ้าว่าเรารู้ทันแล้วเราพาใจกลับมาอยู่กับการฟัง เราสามารถฝึกสติกันในระหว่างการฟังได้นะทุกครั้งทุกทุกเช้าทุกเย็นไม่ใช่เฉพาะการฟังธรรมของผู้พูดที่อยู่ต่อหน้าเรานะฟังธรรมของครูบาอาจารย์ทางเทปนะทางซีดีบางทีบางคนฟังเยอะๆฟังมากๆฟังบ่อยๆเนี่ย มนรู้สึกซ้ำซากจำเจงใจมันก็เลยพละออกไปคิดเรื่องโนงเรื่องนี้แทนบางทีครึ่งชั่วโมงนี้จับความไม่ได้เลยนะครูบาอาจารย์พูดอะไรอันนี้เรียกว่าเสียเวลาแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้โอกาสนี้เนี่ยนะในการฝึกสตินะนตั้งใจบอกกับตัวเองว่าเนี่ยเราจะยามีสติอยู่กับปัจจุบัน มีสติรับรู้มีใจรับรู้เสียงที่ได้ยินจดจอ่อตามติดไม่ลดละแม้เผลอก็จะรีบกลับมาถึงแม้ข้อความที่ฟังอาจจะดูเหมือนซ um ้ำซากจำเจนะหรือว่าไม่เราใจแต่ว่าถ้าเรา วางใจเป็นเนี่ยมันก็เป็นโอกาสในการฝึกสติได้ถ้าทำเงี้ยการฟังธรรมเป็นการปฏิบัติแล้วมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่แยกจากการปฏิบัติและบางคนเนี่ยก็อาจจะหาตัวช่วยนะเช่นคลึงนิ้วเพราะรู้ว่าใจมันชอบลอยคลึงนิ้วแต่ไม่ใช่ไปจดจ่อยที่นิ้วที่คลึงนะ ใจมันก็อยู่ที่เสียงที่กระทบหูแล้วก็ทำความเข้าใจกับเนื้อความแต่ว่าบางทีใจมันเผลอใจมันลอยถ้าเราคลึงนิ้วหรือพลิกมือไปพลิกมือมาเนี่ยไอ้สัมผัสนะของกายหรือว่าความรู้สึกทางกายเนี่ยมันจะช่วยดึงจิตให้กลับมารู้สึกตัว จิตที่กำลังเผลอเพลิลกับการคิดพอมารับรู้ถึงการเคลื่อนไหวที่นิ้วหรือการพลิกมือไปพริกมือมามันก็จะได้สติขึ้นมาแล้วมันก็จะกลับมากลับมาอยู่กับการฟังกลับมาอยู่กับปัจจุบันช่วยให้ตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นเพราะการเจริญสติก็มีหลักเงาตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นเราก็คลึงนิ้วพลิกมือไปพิกมือมาเพื่อ เตือนจิตให้กลับมานะรับรู้อยู่กับการฟังนี่ก็เป็นการปฏิบัติได้หรือว่าเวลามีคมพูดอะไรที่กระทบใจให้เกิดความไม่พอใจหรือเกิดความสงสัยพอไม่เกิดความสงสัยในยใจมันก็จะวนอยู่ตรงนั้นแหละ มันไม่ไปไหนหรือบางทีคาพูดบางอย่างคขาพูดบางประโยคมันทำให้เราไปนึกถึงเหตุการณ์บางอย่างขึ้นมาใจเราก็จะไปวนเวียนอยู่กับเหตุการณ์เหล่านั้นจนกระทั่งไม่รู้ว่าผู้พูดนี่พูดไปถึงไหนแล้วตรงนี้เนี่ยเราก็ฝึกให้มีสติรู้ทันรู้ทันใจที่มันกำลัง วนเวียนอยู่กับสิ่งที่เป็นข้อความวนเวียนอยู่กับข้อความที่เป็นอดีตไปแล้วให้หลุดจากอดีตกลับมาอยู่กับปัจจุบันพ้องเดียวมีความสงสัยนะจริงหรือเปล่าไม่ใช่มั่งเสร็จแล้วก็คิดวนเวียนตรงนี้ทั้งที่ผู้พูดเนี่ยพูดไปไกลแล้วอันนี้เรียกว่าไม่มีสติเหมือนกันนะมันไปจมอยู่กับความสงสัยเราก็ต้องรู้นะว่าตอนนี้ใจเนี่ยมัน มีภาวะอะไรนะมันกำลังจมอยู่กับบางข้อความเราต้องหลุดออกจากความสงสัยหรือความไม่พอใจนั้นเพื่อที่จะตามคำพูดหรือเนื้อความของผู้พูดนะไปได้อย่างต่อเนื่องนี่ก็เป็นการปฏิบัติเหมือนกันนะรวมไปถึงแม้กระทั่งเวลามีเสียงเสียงแทรกนะเสียงโทรศัพท์มือถือดัง เสียงหมาเหา่าเสียงคนคุยอยู่ข้างล่างบางคนจะรู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาเลยคนที่ห ง, งุดหงิดอาจจะเป็นทั้งผู้พูดด้วยแลผู้ฟังด้วยส่วนผู้ฟังเนี่ยเวลาหงุดหงิดขึ้นมาก็ให้รู้นะว่ามันหงุดหงิดแล้วใจมันไปจดจ่ออยู่ที่เสียงนั้นแล้วให้รู้จักปล่อยวางเสียงนั้นกลับมาอยู่กับเสียงที่กาลังฟังจากการบรรยายนี่ก็ปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราควรจะรู้จักทำให้การฟังธรรมกับการปฏิบัติเป็นเรื่องเดียวกันหรืออย่างน้อยเนี่ยก็ให้การฟังธรรมเป็นการส่งเป็นส่วนส่งเสริมการปฏิบัติไม่ใช่ฟังธรรมแล้วก็ฟังเฉยๆการปฏิบัติไม่เกิดขึ้นอันนี้ก็เรียกว่าเสียโอกาสนะถึงแม้มันจะดีกว่าไปเที่ยวไปฟังเพลงไปดูหนังดูละคร แต่ว่าเราสามารถจะได้ไประโยชน์จากการฟังธรรมมากกว่า น, นี้